ชีวิตของแต่ละคนก็มดจิ้นเปลืองไปก็เรียกว่ายังน้อยเหลือเกินถึงแม่ว่าจะยังหน่มนังสาวอีกแต่ตามชอบเกิดอะไรจนกรรมกบมอดชีวิตมีเครื่องหมายจะตายวันไหนตรงไหนสายที่ร่วงเลยมาแรกก็เรียกว่าเป็นโชคดีของเรามีเรียวของน้อย แม้จะพูดเทศผู th ê, ản, ụ, ูสอนก็น้อยเต็มที่ที่จะได้เทศที่จะได้อรุปการสอนต่อไปทางต่างวิญญาให้กีวันท่านดูประมาณสี่เหมือนกัน่างนาดอยู่ในใบบอหรือน้าอยู่ในใบบัวธรรมดาหน้าอยู่ในใบบอไม่ใบบัวกตามเถิดพราแสงอาทิตย์ส่งมาส่องพันที่กั เหนือแท้งไปชีวิตของเราจะเหนือนแห้งไปทุกวันท่านพระพมาบบราณเทวพุมาไวเสียเหมือนกับช่างถู ก, ก็ทองหูข้างทานนามี้จะสั่นไปทุกวันยาวข้างหลังชีวิตของคนเรากำหนดจดจําได้แต่เวลาที่ เลยร่วมเลยมาแล้วอย่างแล้วถามกันทุกคนเราอายุสีใปลายเท่าใ 3, 4, 4, 5, าดสี่สี่สามสี่สี่สีาสีพูดทางไปเราพูดกันอย่างที่ไม่ถูกตามข่มบินจีที่เราร่วงเลยมันเลยเรียกว่าเราได้ก็ม่จริงไม่ได้ท้องได้ท้องหมดหมดสิ้นเปลืองไปแต่เรากําหนดได้ว่ามันสิ้นเปลืองไปทางนั้นทางนี้ นี่แหละเรื่องสิ่งที่มันน้อยโอกาสมานอ่อนวยทุกสิ่งทุกการเท่นะในวันนี้จะเทน่นะรวดรัเพาะฉะนั้นสมกับการเวลาทีว่เราเวลามันน้อยโอกาสมานอ่อนวยเราจะไม่เทเส้นตื่นใลอะไรหรอกพูดถึงเรื่องที่เรานับถือเราปฏิบัติที่ศาสนานี่ยแหละ ถ้าจะศึกษามันก็วกว้างขวางยืดยาวถ้าจะพูดถึงเรื่อนแนวปฏิบัติขว้ า, ายืดยาวศึกษาเท่าไหรม่มีที่สิ้นที่สุดมา ย, ยิ่งสมัยเลียนนี่บรรดาทนายอาจ า, ารย์ต่างๆขอเยอะสอนไปหลายด้านหลายทางธรรมะ ก, ก็หลายแง่หลายมุ มากมายในผลที่สุดก็ศึกษาเมื่อศึกษาใ จ, จเลยเป็นยื่อหลังเลส่งใสไม่ทราบแต่เอาจุดไหนจป็นสำคัญในน้ำศาสตร์ปัญหาจนเฉายเข้ามาเแสนยากก็เล็กล็จุดในดักคือเราจะจับจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเราปฏิบัติให้เข้ากับชีวิตประจําวันทั้งหลานั้นด ถ้าซื้อศาสนาซื้อสมาโนงนานหลายช่วงพุทธมาแล้วคนที่จับได้จับจุดได้สำคัญทั้งคัญกับปฏิบัติเข้าถึงจุด้งคัญนั้นแล้วสันเดชกรบต้องการอาศาสนาเขาสอนไหมดใจที่จัจุดไม่ได้ปฏิบัติได้ถูกหลักก็พาจนงมายไง นอกสกั้นอีกเห็นสาสนาเป็น้องดีแต่ว่าเราไม่รู้จักควดีที่หม า, างตามเพื่อไปศาสนมีเรือาเหมดเง้ยง้าเขาเอาของไปขายในตลาดแล้วจะเอะเาถึงนั้เรือท้หมดได้มากแลกว้วปรเสกดได้ดีแล้วไปถึงบ้านแล้วสั่งเสร็จประโยชน์อะรัรกับกา ลูกไม้ผลไม้ลูกจ้าจะไปกินจะทานยังไงกันลู ก, กจ้าทานก้จะไปทาอะไรกินทาอะไรทานกันลูกจ้ามาได้พักแลว้วก็ดีก็ได้ผลไม้แล้วก็ดีเราไม่ได้เคา ะ, ะอีออจานเชง่อมเรื่อมหรอกหัดชนิดนี้เราจะติดต้มติดแฉงหรือจะไปหัดหรืจะไปอะไรอะไรต่างๆเไม่รู้จักคุณค่า คนไม่อย่างนี้แหละเราจะไปทำอะไรอาจจะองตรงงานแล้วจะไปทำอะไรส่นีแล้วจะทานลูกจะทานเสือกรล้วจะทานเนื้อหรืจะทานเม็ดก็ไม่รู้อีกนะครับไปดูที่ในชั้นใดคนที่นับถือพุทธศาสนาถ้ามดีเคราะห์วิจารทิ้งแกนสารของพุทธศาสนาก็ทันนองนะ เพรานั้นวันนี้จะที่บ้านนี่เลือกเล่นหาเศษสารลัดฐานมุทธศาสานาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจเราจะได้จับจุดในนั้นที่ถูกเรื่อง น, นามบนปฏิบัติ์ใ้เด็กนวิจําเป็นจะต้องไปแสวงหาคุูบาอาจารย์หรือฟังเทศครูบาอาจารย์อยู่ตลอดกาลเวลา ลราจับจุดได้สมาเวลเทศขึ้นเรื่องาศาสนามีจุดมีการเรียนจบมีจบจุดส้อ ง, งั่านจุจบได้ศาสนาไม่ใช่มีจบาศาสนาสอนพิจาวิชาอื่นพิชาอื่นเขาเรียนนั่งเรียน ขยายพ่วงของออกไปภายนอกยิ่งเยี่ยงเท่าใดาาก็ยิ่งบานจรายตากขนายิ่งเยี่ยงเท่าใดจะยิ่งเห็นจุดจบคือเยี่ยงโลกกลับเข้ามาครับทุกทีไปดูตลับตำลาคำที่ท่านแสดงไว้หรือครูบาอาจารย์ท่านแสดงที่ไหนไม่ดไหนท่าน สอนไม่เข้ามาทั้งตัวของเราด้เห็นที่กายที่ใจของเราธรรมะเกิดที่กายจับใจธรรมะเกิดที่รูปของนามถ้าเข้ามาตรงนี้มันจบเลยธรรมะทั้งสองเลยจากลงที่กายที่ใจมดเรื่องนะจ๊ะ แต่ว่าทางปฏิบัติเนี้ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งงานปฏิบัติไม่เข้าถึงถ้าถ้าหากเราจากจุดนี้ได้แล้วตันงนั้นอยู่ไหนก็ตามเถอะปฏิบัติโยมกลับมังห า, ายกใจจับชำระที่กายที่ใจปฏิบัติอะไรทั้งหมดก็เพื่อชำระกายจักที่ท่านแสดงเรืงเรื่องการทำทานกวมขวัญมากมาย ก็ชำระความมัธยันต์ตนีแคนเราเ่ได้อะไรเห็นอะไรมีอะไรขึ้นมาแล้วคือตนนี้นไม่อยากชระจากดินันเป็นธรรมดาตองคีเอแม้เมื่อชสรมันได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ไม่รลอนอยู่มีเขาของชองบัตรหรือใช่เหลือใสเอาไว้ทไมับ ต้สงอารคนอื่นก็ไม่ได้จะช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่ได้ไม่ต้องแต่คนอื่นละ่ะทีนี้นตัวเองจะละทานตัวนอน้แสนยก้งมีประโยชน์อะไรล่ะเราหาทรัพย์สมบัติหรือเงินทองได้มาถ้าต้องการเพื่อบำรุงชีวิตร่างกายเพื่อประทานยังเป็นใจวันหนึ่งวัน แล้ม่ได้มาแล้วเนี่ยแตจะทานก็ไมพอทั้ทาทั้งที่มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่ยอมที่จะรับทานแล้วมัน ไ, ได้ประโยชน์อะไรถ้าหายก็ได้มาล่วงหน้าแล้วเหลือใช้แต่เราไม่เอาไปเก็บไปเฉลี่ยนคนสุขเงากคนดีมัน ต, น ต, ตายมันได้ประโยชน์อะไนอกจากเราจะหงเหวีน ยึดมั่นสำคัญของว่าเป็นของของกูกูตเก็เลยไม่นสิ่งไแล้วงกูมันไห้อะไรมาล่ะนี่เราตายไปแล้วคนที่นังอยู่ท้าหลังเศร้ากันแย่งชิงกันงกันตายกันรู้เห็นกันแล้วพ่อแม่ตายโดยลูกๆกันหลานที่ๆข้างนอกพากันแย่งกันทะเลาะวิวาท พร้อมรองแต่โดททางมดสมบัติจะมีแต่มีแยสถาทัดเด่นแล้ว ม, ลมีเฉพาะสี่แกนอยู่คุณพเจ้าสอนในสัลลาที่ส อ, อนในจากข้าสมบัติหัวใจอย่างนั้นเหนียวแน่นให้เห็นคุณค่าประโยชน์ของสมบัติที่ได้มาเพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนและคนอื่น ของมีทั้งของมีสาเทิน่าอยู่ในโลกคนดใดขยันบันเสียนหาสารที่ราบประกอบในทางที่ถูกก็จะได้ ม, มาท่านร้อยคนใดหาไม่ถูกต้องถูกทางของน่าจะจะไม่ได้รร ม, าามาอยู่ในกำมือของเราถึงแม้าเราไม่อยู่ในกำมือของเราก็เปลี่ยนหม่ยไซไม่ใช่ของใสทั้งหมดเป็งงนของเปล่าเดี๋ยวจะพูดทั้งเรื่องสมบัติเลย แนีจะอาจะลาดตัวของเรานี่แหละที่ใช้ของเราเราไปยืนเข้ามาใช้ดินน้ำพายลมเป็นของสาธาะในทั่วที้งย่ในโลกอันนี้แ้วเกิดขึ้นมาจะไอดินน้ำาลมมือมาผสมก็เป็นก้อนขึ้นม า, มนมนนาแล้วใช้ในชั่วคาวแล้วจงหวงแล้วกนไ่ได้อย่างงั้ก็ต้องไปตามเรื่องของนดัดล้วนตามเรื่องของ บางมาจะพูดให้หลายคนคนที่ไปยึดหรือไปหวหนเป็นเนของตนของตัวจริงๆอาจารย์นะคืคนที่ขโมยต่ขโมยดินน้ำไปลงของโลกนเนี่ยมาเป็นของตนของตัวแล้วมันได้อะไรที่ขโมยมันได้อะไรนอกจากจะได้ลมเต่าหมองภายในใจ นั้นขโมยสมาแล้วก็ไม่ได้อะไรนี่เจปจ็นกางเศาหมอ ง, งอย่างคนที่ขโมยของคนอื่น ม, มาใช้เพียงมาเรี่ยงชีวิตประช่วยและชาติที่ยังไม่ทันตายของนั่นที่ไดมาอาที่มาขโ ม, ข ม, ขมขยสมาใช้ใชจจออ่ไหมก็เดือดรอนู่นนี่เร้าหมองทํามาบารุงร่างกายก็เลี้ยงเลียงไวร่ า, างกายวของทีสมโมยชีวิตอย่างที่เส้นหยู่ก็เ ล, ลียวชีวิตที่ขโมยมันน่เส็ยดาังน การเลือกชิ้นได้ที่สม อ, ง, องเดียวมีสอนที่เรื่องการบับทานที่สอนในรูปจักอยยวิยวาไม่มือของเราที่เราเอาไปใช้ในี่ตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดที่เอาไปใช้ที่เราอาศัยเราเอาไปใช้เอาไปใช้ได้ประโยชน์แล้วนันให้เห็นคุณค่าเพื่อใช้ให้ได้ประโยชน์สิ่งที่เราต้องการ เมื่อได้มาแล้วจิ่งนั้นก่นหรู้จักคุณค่าของมันเพื่อจักเฉลี่ยแบ่งปันนี่จะเรียกว่ารู้จักคุณค่าพราะว่าเจ้าสอให้รู้จักอย่างนี้รู้จักคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราตั้งแต่กายเลยวิญญาณใ จ, อจของเราเอาอยุวะทุกชิ้นส่วนที่หาสมบัติอันใดที่ได้มาแล้วเอาของเงินทองที่ได้มาแล้วให้รู้จักคุณค่า มีสอนเรื่องสอนเข้าตัวไม่อีกสอนเอาไว้สายนอกสอนไม่ได้ทางโลกเขาสอนก็ไม่ได้เกาะกลัวอย่างได้อยากดีอยากมีเท่าไหรก็มาเพียงมาพอไม่อีกคนไม่กินนั่นคนไม่พอไม่ใช่คนมีมีเท่าไหรก็พอคือคนจนคนทุจัิตีย่าพอนะชือจะประมาณนั่นเรียกว่าคนมีคนพอ คน mm hmm. หิวหนั่นก็จะมีอะไรมันก็เรียกคนจนนะที่คนหิวคนไม่อิ่มก็เรียกคนจนนะที่มีเรื่องการดำทางสอนที่ตัวไม่ใช่สอนที่อื่นวัตถุที่เราให้แต่นั้นอรื่ของภายนอกถ้าเราไม่หยิบยืน่นให้มันต้องให้ไปเราไม่ไปแวไสวงมามันก็ไม่ม า, มมมาเมื่อเราได้มาหรือเราจ่ายแต่นั่นแหละ เรียกว่าเราเป็นคนใช้มันใช้หาใช้รักษาใช้จัดจ่ายแล้วเข้า mm. ใจตรมนี้ขาดว่าเรามีอนนานาจชิดขาดเหนือสมบัติเข้าของที่เราได้มาเอาละสมมติเรา บ, บ้านชักหลังหนึ่งไม่ไม่ใช่อยู่ที่ัไม่เจ็ดกองอยู่ไปหาซื้อมาจากที่อื่นเงิแล้วเนี่ยไปซื้อมาเงินเราเป็นคนหาไม่ต้ก็เเป็นคนไปหา มันปลูกขึ้นกับเราเป็นคนปลู ก, ล ก, ก, นนกมันปลูกขึ้นแล้เราเปนครักษามันปลูกเราฟังกับเราเมื็นคนซ่อมแซมไม่ใช่เงินแต่เราเข้อเสว่าเราอยู่เหนือเงินแค่จริงเราอยู่ใต้บังคับของเงินเราเป็นทาสของเงินนี่ถ้าฟังพูดคนจริงมันเราเป็นย่างถ้าหาว่าเรารู้เท่าเข้าใจ เราไม่ได้หลงมัวเมาจนโกรธเคืองเฉียป็นเครื่องเอาใส่ใช้ชอยตัวระยะที่จะอยูเราจะเป็นธาสของมันคือเราใช้มันนั้นมันได้ประโยชน์ไม่หลงมวเอาถือว่าของกูของกูยังหายอยู่ถ้าหารได้มาแล้วก็สบายใจ ถึงวันเสื่อมสูญเสียหายแล้วจะเรียกว่าของที่ยืมมาเท่ากับคืนไปแล้วกัง ข, าขาบายใจมั น, าานทำไมไปทาสขามาหนึ่งมีเร่องการทำทานสอนข้ามานี่เป็นธรรมะสอนเข้ามานี่เป็นภาว น, นาธรรมะต้องเป็นอย่างนี้จึงค่อยๆเนี่ยหลักของธรรมะสอนสอนหนึ่ง ปฏิบัติต้องปฏิบติอย่างนี้เห็นต้องเห็นอย่างนี้จึง<ม>เรียกว่าเห็นธรรมปฏิบัติธรรมฉึกษาธรรมะการรักษาศีลก็สอนที่กายและใจการรักษาศีล น, นี่ไม่ใช่เป็นการรักษาแท้ที่จริงคือการละทูกคนทําชั่วอะไรจะผลากทวงชั่วนั่นจึงเรียกว่าศี คนมาทำชั่วซะเลยอยู่ที่เฉยไม่ได้เรียกว่าสินหรอกเด็กมันนอนเนี่ในผ้าอ้อมนีมันนอนเ น, มม น, น, อนอี่ในอ้อมมันนั่นเลยทำบาปกรรมกรรพูดตรงๆเลยจะเรียกว่าสินไม่ะด้สินั้นต้องทำชั่วแล้วเห็นโทษคือเราทำผิดแล้วเห็นโทษในความผิดของตนนั่นแหละทีอสิ ละคนชั่วที่เป็นทาจผิดนั่นนหะที่คนนี้ทาเรี้คนรักษาสินหนึ่งเป็นการคำพูดภาษาที่ว่ารักษามันผิดความหมายไม่ใช่แต่รักษาแล้วสิ่งวารักษาอย่างไงเราไม่ทําความั่วงดเล้นจจกควชั่วที่นี้อยู่ หรือที่ยังไระทันมีก็มาให้มันเกิดมขึ้นมาเยนั่นเรียกว่าละถอ น, ถนทิ้งไปนั่นเรียกว่าชินในคต่ว่าทานของเราเรียกว่าสมาธิยามิ <c oughs> ถ้าไปเจ้าขอสมาทานหรือว่าถ้าไปเจ้าขอถือเอาเดี๋ยวไปถือเอาคำนั่นแ่ละว่าเราได้ชิน แต่ไม่ได้คิดถึงบทอื่นเที่ยวเวระมาดหนึ่งถ้าเจะางดเรี้เงเสียใาการทำผมชั่วไม่ฟังค่ะไม่เอาคำนั้นแต่เอาสมาธิหยาดตอนไทยมีธรรม ะ, ะมีหลายมากหลายตอนถ้าจับความไม่ถูกจับเนื้อความไม่ถูกเราจจับทิศทิศธาตุยางไงพ้ะพุทธ่จ้าตาจะจะรัเทศนาไว้แล้ว เจตนาหังที่เีาเองทีหลังว่าทพราะว่าเจตนางดเล้นจากความชั่วอย่านั้นนั้นหลักสิทิย่างววิสอนมาแต่เราสามารถผิดแล้วการเจตนาตัวเดีนับเลื่อนกันชนนิ้นหาชิ้นแตบบ่ชิ้นผิดชิ้นสลายชิ้นเก็บ้าไม่ออกแต่เจตนาเจงว่ดเด่นมันต้องเห็นความชั่วทีวก่อนเห็นครามคิดที่เราทำนันครบมชั่วที่เราทำนี่สํา เห็นเป็นข้อเป็นไทยเห็นแต่ของไม่ดีแล้ว น, นีเขาเกียดกัน ง, งานหมดเลาเกลียดกัน ง, งานก็เรื่องงาหมดเรื่องเงินเจียนหายเจีนแตกเจียนติดเนาตัวเดียวท่านต่อปอาสาที่เดียวท่านต่อปอมีสั่งเข้ามาภายในตัวของเราอย่างนี้แล้วเจ้าไปจะคุบขีนหายแตกอย่างนี้นนนอะไรเอาแล้วมีอาจารย์มีคำลาศนาเข้าไปหลายเรื่องหลายอย่างอีก มีส <rude S 2> ูงมีสูงต่มันไม่ได้สูงต่อสมาชิกมีสูงมีสูงกขาดตัวเอ้ขาดไปตัวนั้นตัวอื่นไม่ขาดเอาอีกละตายันอยู่ยาวอีกสัตวขาดกะขาดจะเป็นไงสัตขาดตรงไหนว่ากับแย่งตัวงานอีกมันแค่จะไปขาดทางหมวเองฆ่าสาไปรัลักษมีนจะไปโทษยังไงล่ะจับไม่มี รักฆ่าในบทคู่ตีอาาม่าย์มรจะเป็นโทษอะไรบทคู่ตีไม่หยไม่ได้ครับนีวว่งว่าลิสุงลิสงมเท่าเก่านานะไม่ใช่ขาดชิ้นห้าสักตัวหนึ่งอะไรจะเป็นโทษทั้งห้าเอไม่ใ จ, าาเเจ่เราอาจารย์เจเจอาจารย์นักสังคู่คำล่าธนาสินจะเลยถือกันอย่างนันเนี่ียเรื่องไม่รู้จัก จุดสำคัญต้องสิลคือการงดเว้นถ้างดเว้นนะครังดเว้นโทษได้ตัวหนึ่งก็เอาได้ข้อหนึ่งต้องของเอาเรีย ว, ว่าศีลห้า น, นั่นเป็นพื้นฐานของความดีในโลกี้องมีศีลห้า น, นี่มีมาไดจากโลกแล้วพุทธเจ้าอุบาสกทื่มาหเห็น่ะมันเป็นพื้นฐานของโลกที่จะอ ย, ยู่เย็นเจสุขเพราะมี ถึงเขาจะไม่ปฏิบัติหมดทุกขอแต่ว่ามีน้อยก็ได้ความสุขน้อยอนุมานได้นวามสุขน้องโอมแต่ลด้นมานอันุอมานต่างความหมายของโลกความคิดหมายไปถฐานล้วทุกยุทประสม์ของโลกทั้งหมดอยู่ในสิ้นหายตรงนั้นและถามโดยเสดใครใส่ก็ต่างแม้แต่สัตว์ก็เมินกันใครกจะให้เขาขาดจะเห็นไม่มี ใครจะให้เรามของส่วนไหนไม่ใครจะให้เราคนจิติสัยจันทร์ในชั้นอจามีมุ่งนไม่มีทั้งนั้ น, น, น, น, น, น, น, นะแต่ถามใครเถอะโกหกปากหกวา่าสวาสจิตเจตจิกระทบกับแท่เช่นการในศาลเยีย่ยงดูถูกหรือสวาสวาจาคหาหยาบขายไม่มีใครต้องการสักคนโลกนี้นแม้แต่ศาลมันก็ไม่อมไม่ชอบแต่เรื่องโค น, นทศิษฐาน ลากเกียนนั้นมีกำลังลากเกียในตั้งร้อยเลยกแต่มันไฟเหนื่ยเต็มเปะเมื่อนอร่มันมีกำลังเพราะเจ้าของเขพูดว่าจาอ่อนหวานแตตอนที่ประธนาน เ, าเขาพูดคำหยากอ๋อเฮ้ยเนโอะโพธันนี้มันทฤีสารที่เกลียนอนล่ากไปดูที่มดกำลังใจแล้ลากไม่ไปสราบั้งรู้จัก นี่ไงจิงว่ะพื้นฐานของเราคือศีลธรรมถ้าช้าพุทธของเร า, าริ่จักจุด ป, ประสงค์และความต้องการของพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วพากันรักษาคือพากันงดเล่นเจตนางดเล็นที่ละคอละคอเก่าิ้นห่างเลยไม่ต้องเอาทั้งหมดเอาทีละคอไปอดี อย่างตีหนึ่งจะได้สักขอนี่ครับสองตีสองขอ 3, 4, 4, 5, ้อสามสี่ตีหาีได้หักสองครบแล้วอันนี้ตลอดวันตายไปเกิดมาชิ้นหายนะคะขอดเลยอยากเอาความสุมาจังไหนจะได้แต่ความสุขอยากกินแต่โูคไหมผลไมมแต่ไม่ปลูกสักทีจะได้กินที่ไหนอยากเจ๊ซุบอยากจะได้เงนินได้ทองที่พียดษมหาสตามมังค์จะได้มาจากไหน อยากได้ความสุกไม่สับสนให้ได้ความสุขมันจะสุขได้ไงมความสุขก็สุอความดีนั่วเอผลของสุขเหตุนี้เกิดสุขก็คือความดีนั่เองแล้วทักษะทางดีต้องเกิดมาเองเหรอแตมาเรื่ว่าครอบครัวองเรเนี่ยลองลองดูเถอะสักห้าคนอยู่ด้วยกันเมื่อเล่นเชฟความชั่วคนละคอละคอ ถ้าหาใครปฏิบัติคิดพลาต่อนแล้รักษาก่อนอย่าให้มันเกิดขึ้นหมอยู่สักสาเดือนขลองดเหตในครอบครัวนี้จินห้าจะครบงวดทุกคนเลยถ้าทำได้อย่างนี้ศาสนาสอนให้ปฏิบัติไม่ใช่สอนให้ถือกูก้ คนเราถือาา้อศาษณาจะคุบกว่าเลยก็เกิดชึ้นมาว่าซือโฆษณากูเป็นชาวพุทธอะไรจะคุกกเลยไม่ศักอะไรต่อเลไไม่ศักจะไปใช้อะไรต่อเลยรคิดปรโยชน์ยังไงสมหรับพระพุทธเจ้าของเราท่านสลาเกียเยเหลมมากไดสญญ้สัญญา่อว่าปัญญาทิศ ถ้าดทเจ้ามีตรสามระดับเพื่อศรัทธาทิศกะบมสินก็ต้องมีตั้งทิศกเราต้องไขทิศญาทิศแปเราต้องไขปัญญาทิศสี่ต้องไขอย่างตัวตวนี้ใน้ังเกตุปุถุเปนุขปุอยาเว้นปุถยก้งจะเป็นศรัทธาทิศกายาทิศปัญญาทิศสาม เมื่อสร็จเป็นผู้เดชะมีคุณภาพเสมอเสมเหมือนจะสาวกทั้งหลายคือคนจากก่เลสด้วกันท่านฉลาเดเกียรติแ่งอเรมสั่งสอนในพวกเรามีปัญญาฉลาดไม่ใช่สอนให้ถือเอาอย่างคุนสี่ซนหั่ น, 4, นเยื่อเส้นให้เห็นสิ่งที่เป็นคุณโทษ รักษาสิ่งที่เป็นคุณมัดเล้นสิ่งที่เป็นโทษมันยังจะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติแต่เราเน่ยพวกจาติุธไม่อยอมีภาพมีจากรคิดคนหาต้นต่อหเหตุผลเทือทั้งหมดเราจะพากันมา่าสตาาร์มแต่พุทธศาสสนามศาสสนานีศาสนาเนี่ย ศาสนาในธรรมประโยชน์คุณประโยชน์ทั้แก่นมนุษยโลกประเทศชาติด้านเนืนเ้อเมื่อเจริญเพราะถือพุทธศาสนาอู๋ไปโนเธอีก็ล้องไม่กต่ที่ราจะดีได้ไงในชาวต่างชาติเช่นเขาไม่ถือพุทธศาสนาแต่เขายมีเครื่ธรรมดีกว่ารู้จากรัก ทำให้ชาติเป็นป่าเถื่อนให้ส่วนไม้ทรัพย์สิงเขาไม่อิสายอยู่าคนไทยนึงไทยแล้วก็อะไรตว์างตัวไม่เนื้อกะทาไม่ได้แต่จะอทานี่ได้มันมืขนั้นแม่ไ่เขนาดนี้เนหน้าวัดสายเ้นหน้าก็มากถนะครบการบ่กันพูดไะจอการนะเสื่อารสนะ ทิ้งทาเสื่อมอะไรต่ออะไรต่านแล้นนม่มีใครตั้งใจจ ะ, จะเจริญถ้ า, นนา ม, มันงอกนามขึ้นมาไม่ใครจะปักหลักถ้ามันม่นเป็นตัวอย่างปฏิบัติมั่นมันเป็นตัวอย่างอย่างอื่นไม่มีมันก็อยู่เงียบเห็นแั้ว ม, ม, มันเสื่อมก็เอาสิทุกคนก็ฝากดูใจของมันเสื่อมอย่างอาจจะมาอธิบายให้คนขอ ชิ้นห้าได้ผลละครไปยิ้มช่งนึ้งลองดูสิของที่เราเก็บเล็กผสมน้อยมันก็มีวันจะพอเอันนี้มีเล็กน้อยเลยเราเอาชิ้นเนะถ้าเอาใหญ่ของใหญ่เรื่มมองนี้เคยอาเจียนไม่ทราบว่าของนี้ใหญ่มาจากดินอะไนทุกชิ้นทุยางก็เกิดจากของเล็กน้อยใช่ไหม่นตัวเราเกิดเลยนิดเดียวทีแรแล้วค่อย เ, ต, อ เ, เติบโตขึ้นมาโดยลำต่อ อะไรที่มันโตใหญ่ๆมันมีสักอย่างอย่งอยงในโลกนี้เมื่อก่ อ, อ, ก อ, อ, อกเกิดจากของนี้อย่าวของเล็กน้อย่นั้นทุกจรทุกอย่างเกิดจากของอันเดียวทำคำสอนเจ้าจเกิดจากใจทุเจื่องจ้องูที่ใจบริสุทธิ์ความรู้ทั้งหลายเกิดจ า, ากใจเห็ น, นนั้นเมะเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาต้องอบรมเมตตาจใจสอนให่จะทําทานรักษาวี่ ทำให้เข้าถึงใจรู้จักจับให้สามท่อนายิ่งพูดถึงเรื่องใจโดยเฉพาะอบรมให้จิตรงจ่ายปรุงใจให้จิตสงบให้เข้าถึงจิตเดิมของเดิมแต่มาบรรยัติขึ้นใหม่เพื่อให้อธิบายเข้าใจง่าย นี้บัญญัตจะมีแต่ท่านบรญญัติจะกระจายไวอัตมาบรญญัตโดยเฉพาะบัญญัตกายบรญญัตใจกับจิตใจได้ซื้อของของกลางจิตได้เจออากาศของใจผู้ที่ภาวนาเข้าถึงสมาธิเข้าถึงจิตที่เข้าถึงผ่องแผ่ที่เรียกว่าที่ว่าผรองหวังผ่องหวัา แต่ว่ามันจะอยู่หน้าต่อตลอดเวลาอยู่ไม่ได้แล้วต้องว่าอบรมฝึกฝนถ่าเข้าถึงตรงนั้นนั่นคือใจบริสุทธิ์ไม่ใช่ใจบริสุทธิ์นั่นคือใจเดิมที่ท่านเรียกว่าจิตตังวัคคสรางจิตตังวัคคสอนแต่ไม่ใช่บริสุทธิ์คือมันยังสามารถที่จะส่งสาร ไปฟูมไปแต่งไปคิดเป็ น, นเร่อะไรตัอะไรได้มากมาเมื่อมันออกจากนั้นนอันนี้ชาคิดได้เห็นชัดว่าใจยังเป็นอย่างนั้นคิดเฉยอาการออกจากนั้นต่อจากอันที่านฉยนั่ะอันนั้ น, น ม, มีอะไรนะ่ะเรียกว่าคิดคิดนี่แหละมันเป็นเหตุทาลายใจนัน้นให้อยู่คิดสงสาย เกิดวุ่นวีวนวายไปด้วยประการต่างๆเรียกว่าที่ถ้าเกิดความโกรธความเกลียดความรักความชอบความชังอะไรเป็นกิเลทั้งหมดยนพยายามดีลดลด้วนจะได้เป็นสิเลสมันตายไปจากจิดใจเท่านั้นเห็นนั่นแล้วมาหัดสอด่าสึกผลเอาลมสมาิภาวนาจะคือให้เข้าถึงใจตรงนั้นะ ถ้าหากเราเข้าถึงใจนั่นมันจนสงบเงยเือกเยน็นไม่มีการส่งสายแล้วเราก็เทลียดอะไร น, นะครลังที่มันส่งสาไม่ใส่ใจแล้วดีไปส่งประกามใจทันไม่เอามไม่ส่งตามอาการของใจให้ตั้งใจสั่งเราอยู่ที่ใจอาการของใจไม่เอาเดี๋ยวไปเอาอาการเข้ามันเลยจับตัวต้นของมาคือตัวใจ เราฮัทอย่างนี้กับนดติจานาอย่างนี้เสมนไปนานๆ น, น, นะครับมันก็ค่อยป้อนกําลังของมันอาการของมันให้ผลที่สุดเมื่อสติของเราเแี็งแขรงกล้าหาญชอบ ง, งานไม่การต้มใส่ใดมันก็จะเข้าถึงใจเดิมคือเข้าถึงความสงบที่เรียกว่าเข้าถึงปัญนาหรือระวังอะไรก็ตามเลยเส็จ มีพระพุทธเจ้าสอนให้เราอบลมเข้าถึงใจมาถึงตรงนี้แล้วทักทีงเดียรใจเขาเห็นรักพุทธศาสนาจารรักพุทธศาสนาได้แน่นอนทีเดียวผู้ที่หัดในผู้ที่เข้าใจถึงตรงนี้แล้วปฏิบัติหัดได้ตรงนี้แล้วไม่มีการหวั่นไหวนับถือพุทธศาสนามั่นคงแข็งแรงเต็มที่ใครจะมาหลอกลวงเงินไม่ไปได้ขาด ถ้าเพียงด้ย่ยการทานรักษาศีลยังไม่เข้าใจของหลักพุทธศาสนาอาจจะมีคนมาหลอกลวงยุยงส่งเสริมให้ทิ้งหลักธรรมหลักพุทธศาสนาหรือสามารถจะหันไปถือรัฐีอื่นศาสนาอื่นได้ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วความดีความชั่วเกิดขึ้นตรงนั้นไม่อยอมเชื่อแต่ทั้งหมด าศาสนาสอนว่าทำดีได้ดีท่างเชอเชื่อ เ, เ, เห็นชัดเลยเอนะครับไม่จ้องไ ป, าไปถามคนอื่นเราจะละได้รือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราจะเข้าถึงนันหรือไม่นั่นเด็นอีกเรื่องนี้เหนนั้นจึงอธิบายมันจนแล้วการศึกษาพุทธศาสนานีจุดจบแต่เรายังปฏิบัติไปถึงจุบเราจึงไปอยาเีเมื่อเราเข้าใจนี้เราจะไปอยู่ที่ไห น, น เมื่อไรเอาเธอทําไปเถอะมีวันหนึ่งแหละซึ่งจะเข้าถึงตรงนั้นเห็นชัดเป็นต้นอีกอยากประมาทได้ก่อนแรกกันความประมาทนะคือเรายังไม่ได้เห็นไม่ได้รับรสชาตนั้นไะด้แค่ประมาถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นนละ้วไม่ประมาทแค่นั้นอยากจะทําให้เสมอประกอบพารกคิตรใดๆอยู่ยตาม สีิจะต้องควบคุมจิตจะก็ต้องคิจเจรนาทั้งเรื่องจิตนั้นเห็นคนสมสงบสว่างแล้วอยู่ตลอดดีวกว่าอ่างคนไี่เข้าใจว่าหาัดภาวนาตามสิสมาธิขีเกียา ง, งานจะม่ได้เือยจะไม่ด้ืมเงานไม่การหรือู้ซื้คนที่ไรภาวานาต่างหากขาดเสน่ห์รักาภาวนาไล้เป็นคนขี้เกียจไปทําอะไรขาดเสน่ห แค่จริงแล้าถึงมันปุ้ยขยนันรู้จักการเวลารู้จักพอดีพองาัรู้จักการรู้จักประมาณรู้จักสนรู้จักจะชุมชนสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกประกาศเนี่ยธอธิบายถึงเรื่องรักพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงกายถึงใจง เมื่อเราเข้าถึงกายถึงใจแล้วเราเห็นตุกกายเป็แอนเราเห็นใจแล้วครับิ่งทั้งวงหมดเกิดจากใจที่เดียวทังวหมดเกิดจากใจบุญกุศลมาเกิดที่ใจท่านยังว่ามะโนกุพังสมาธมาทำทัาา้งหลายนี่ใจที่ก่อนคลิกใจนั่นแหละบรญชาการออกจากใจมีใจเป็นใหญ่ทําอะไรถ้าหายว่าไม่มีใจจะมีกําลังแร้ออก่อนพักเมื่ร่างกายจะทำได้ ทำอะไร ด, ด้วยใจถ้าไม่มีใจยังยากทำอะไรไม่สเ็คนตายทำอะไรได้มันต้องมีใจอยู่ถึงจะทำได้ใจเป็นนายตายเป็นคนใช้นักนใช้อยู่เนี่ยถ้าหากเราไม่ถึงใจไม่รู้เรื่องของใจละจะเป็นเป็นเรื่องจิตแต่ฝันอาการของจิตมันใช้เราได้ผันเราคุมมันไม่ได้ ไม่ข้าทิ้งใจอบรมไม่เห็นใจมันยังเหลือได้จิตเนืนมีแต่อาการของใจอ่า น, นี้จิตมันจะสายยังไงจิตมันจะใช้บังคับอะไรทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีทั้งชัว่วทั้งหยาบละเอียดมันต้องการอะไรมันก็ใช้หรอจบลงว่าเรามีใจจะใช้ ใ, ใจอะไรแต่ลองคิดอยูสิมีแล้วใช้อะไรได้มีประโยชน์อะไรอนอกจากมีประโยชน์มันทําให้เราเกิดโทษอีกครั้ จะเป็นสัตว์กะจามเป็นลูกหลานได้ใครก็ตามได้อยู่ในบ้านของเราเนะี่ยเราสอนอบรมไม่ได้นั่นเบียดเบียดเราตายถ้าเรายุ่งเบียดรอ้อนเมื่อมันกระจายอย่างนี้มีเวาให้เข้าใจหลักพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วปฏิบัติอย่างทีิบายแบบนี้นจึงจะถูกถ้าปฏิบัติแบบนี้น ข, ขึ้นตนเองเชื่อตนเองเข้ากระดับว่าตนต้องเป็นขึ้นต น, น ถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ยังซึ่งเขาเดย่งนเลี้วเลอะอยูยอ่และชื่ว่นยังไม่ได้ถึงคุณพลัสสมาตรายยังไม่ได้เข้าถึงหลักพุทธศาสตร์สมาธจะถือไว้เฉยแต่ไม่ได้รับรสชาติของพุทธศาสตร์สมาธะอธิบายกันเลย